ตอนนี้เป็นการผจญภัยอีกครั้งหนึ่งของผมในเรืองหรือไอเรืองที่กำลังพจนจรจากบ้านเกิดที่เคยซุกหัวนอนมาตั้งแต่หัวเท่ากําปันคือบ้านมาโปใกล้บ้านพาชีจังหวัดอายุทยาซึ่งท่านเคยอ่านมาแล้วในตอนต้นๆโน้นและเรืองก็จนจรต่อไปอีกจนกว่าจะสิ้นกรรม สมาคมขี้เมาของเราชักห่างการประชุมพบปะกันไปพักหนึ่งเพราะว่าพวกหนังสือพิมพ์แล้วก็พวกนายช่างโรงงานที่มักกสันที่เมาสุรากันแล้วก็ชอบลองดีกับพูดผีพิซาัดพอโดนดีเข้าก็เกิดความรู้สึกแยงๆกันไปบ้างเพราะว่าถูกผีหลอกอย่างจังเข้าที่สวนหลังโรงงานแถวมักกสัน ทางนาเกื้อผู้มีพระคุณแก่ผมแล้วก็พี่ใหญ่เพื่อนเสมอพี่ของผมชักจะขยาดพวกเราสามคนจึงขาดนัดไม่ได้มาชุมนุมกันอย่างเคยเพราะว่าลงกินเหล้าพร้อมองค์กันเมื่อใดก็ตามเหมือนถูกสาป พ, พอเมาเข้าไปเมื่อใดก็ต้องแผงลงฤทธิ์เข้าไปรุกรานพูดผีปิศาจถึงป่าช้าวัดตะพานมักกสันทุกทีไป เรื่องนี้เห็นจะแรงเพราะพวกหนังสือพิมพ์ 2-3 คนที่ชอบเล่นกับพวกพูดผีปิศาจเนื่องจากว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าผีนั้นมีอยู่จริงก็เลยเล่นสนุกเพื่อเป็นการยืนยันว่าแม้แต่จะเข้าไปรุกรานจนถึงในป่าช้ายามค่ำคืนแล้วก็ไม่เห็นพวกผีจะสําแดงดริดเด็ดอะไรให้ปรากฏ แต่ถูกหลอกหลอนที่วัดตะพานครั้งแรกนั้นยังเป็นที่สงสัยแก่พวกเราหนังสือพิมพ์และนายช่างโรงงานมักสันอยู่และพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกหลอกทั้ง ท, งทังที่อยู่รวมๆกันแต่นัเกื้อคนเดียวที่ถูกหลอกและผมเป็นผู้เห็นกับตาอย่างชัดแจ้งเมื่อนัเกือ้อผมและพี่ใหญ่ขยาดห่างกันไปชุมนุมเมาเล่ากันจึงซากันไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่นานนักพวกเขาทั้งหมดก็เกิดคิดถึงพวกเราสามคนจึงเมากันขึ้นที่บ้านนัเกือ้อ ครั้นมากันถึงขั้นนี้แล้วสันดานเก่าก็เกิดจัดแจงชวนกันแห่ไปวัตพานอีกนาเกือ้อพี่ใหญ่ก็เอากับเขาอีกผมก็เลยต้องตามไปทั้งที่ใจก็ไม่ได้กล้าเราได้ไปตั้งต้นกำลังทัพกันที่ห้องแถวคนงานก่อนซ้ำน้ำตาลเมาเข้าไปอีกพอเมาขนาดขาดวิทยก็ยกขบวนเข้าหลังห้องแถวคนงานนั้นลัดเข้าสวนเพื่อตัดไปออกวัตพานเลย คราวนี้โดนอย่างจังเลยครับโดนกันทุกคนเมื่อลัดเข้าสวนมาได้หน่อยเดียวเห็นที่ทิวต้นฝรั่งข้างหน้าน้้นมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งวงสุราอยู่สุมไฟสว่างพอเห็นหน้ากัน นายดอนนายช่างมักกสันผู้มีการอาวุโสกว่าเพื่อนก็ได้พูดว่าสงสัยนักใครกันที่มันมาตั้งเล่าในดงฝรั่งก็ชวนพวกเราเข้าไปดูใกลๆ้ๆพอพวกที่ตั้งวงเหลียวหน้ามาหัวเราะกับพวกเรานายดอนถึงกับชะงักถอยหลังแล้วก็รองขึ้นอย่างตกใจเต็มที่เฮ้ย <"He i, S 1> พวกมึงตายแล้วกูไปเผามึงที่วัดที่ยังฝังอยู่บางคนเนี่ยก็ยังมีอยู่เลย พวกเราได้ยินไนดอนพูดแบบนั้นก็ชักจะสงสยัยจะเป็นนายดอนเมาหรือว่าอย่างไรกันเพราะพวกที่นั่งชุมนุมอยู่นั้นเราไม่รู้จักพวกที่นั่งอยู่หัวเราะครื้นใหญ่แล้วคนหนึ่งก็ตอบว่าผมมาคอยนายน่ะสิจะได้ไม่ต้องเดินไปถึงวัดพอพูดแล้วก็หัวเราะเสียงดังกันเกลียวกระาวมีเสียงเกี้ยวก้าวประหลาดหูแล้วทันใดนั้นร่างของพวกนั้นก็จางหายไปไฟที่สุมก็ดับมืด ลราวนี้สิครับทุกคนเห็นกับตาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขาสั่นปากสั่นแล้วก็วิ่งกันล้มลุกลุ ก, กลานไปทุกคนนี่แหละครับเหตุที่ขาดการชุมนุมกันไปนานผมและพี่ใหญ่อาศัยบ้านนาเกืออยู่ก็ตั้งวงกินเหล้ากันเพียง3คนที่บ้านบ้านนาเกื้ออยู่ริมซอยพระนางมีคลองหน้าบ้านแล้วก็มีบึงเวิงอยู่ข้างๆพวกกราจึงยึดเอาเป็นแหล่งอาหารลงสวิงช้อนกุ้งฝอยปลาหอยโขงยำ เมาเข้าร้อนหนักก็ลงอาบน้ําเย็นสบายมีความสุขอย่างกับคนบ้านทุ่งบ้านไร่เราห่างกับพวกนั้นไม่กี่อาทิตย์หรอกครับนักเกลือเป็นที่รักของเขาเหล่านั้นมากเขาก็แห่กันมาที่บ้านเรามีเห ล, ล้ามีกับแกล้มติดกันมาตามระเบียบและในที่สุดก็เปิดบ้านนัเกลือเป็นสโมสรยิ่งบ้านเราอุดมกับแกล้มเช่นกุ้งฝอยในบึงปลาบ้างเป็นกุ้งชุบแป้งทอดบ้างปลาเล็กปลาน้อยก็ขึ้นมาจากน้ํามาเป็นทอดมันสโมสรก็คึกครื้นดี ขากลับของพวกนั้นมีพฤติกรรมอยู่ว่าเดินออกถนนที่มืดตื้อแล้วก็ส่งนายวันนักหนังสือพิมพ์มาก่อนเพราะว่าอยู่ถัดเราไปตอนกลางๆแล้วก็ถึงหมู่บ้านมักกะสันก็ส่งพวกนายช่างแล้วก็พวกหนังสือพิมพ์จึงจะเลยไปประตูน้ําสะระปทุมขึ้นรถที่นั่นก็กลับบ้านเขาในกรุงเทพต่อต่อมาความสนุกคึกครื้นถึงขั้นเข้าพวกหนังสือพิมพ์นอนค้างบ้านเรากลับแต่พวกมักกะสันและก็นายวันเท่านั้น เรื่องวัตถานเลิกกันไปเลยไม่คิดจะไปกันอีกหยึดเอาบ้านเราเป็นสโมสรบ้างนานๆก็ย้ายไปหมู่บ้านคนงานมักกะสันบ้างเว้นแต่บ้านในวันเท่านั้นที่พวกเราไม่เคยไปยุ่มย่ามเพราะว่าเมียในวันเป็นคนถือตัวเป็นผู้มีทรัพย์สินที่ดินไม่ต้องการให้ไปมั่วสุมเมาไม่กันที่บ้านเมื่อในวันมีสันดานอดส ม, มเลเทเมาไม่ได้ก็ปลีกตัวมาอยู่กับพวกเราเสมอ การม่วสุมที่บ้านเราชักจะถี่แล้วก็หนักเข้าจึงต้องริผิดกฎหมายทำน้ำตาลเมาเข้าประทงังทุนทรัพย์ไว้นี่ฉะนั้นสโมสรจะควม่มส่วนหมู่บ้านมากกสันแก่ชุมนุมก็เพราะทำน้ำตาลเมามากินเองพวกมากคนละไม้คนละมือก็อุดมสมบูรณ์ ความจริงในสมัยนั้นพวกเราก็ไม่ได้กินเหล้าดิบเหล้าดีอะไรเหล้าโรงนี่แหละครับแต่ว่าถ้าโดนทุกวันทุกคืนเข้ามันก็แย่ทํางานมาป้อนขวดหมดจึงต้องอาศัยน้ําตาลเมาเข้ามาช่วยช่วยกันซื้อน้ําตาลหม้อน้ําตาลปึกผลไม้คนละมือก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันกับบ้านมักสันวันอาทิตย์หยุดงานก็เมาแต่เช้าผมเนี่ยไม่มีเมียเคยนึกถึงทุกคนว่าลูกเมียเขาไม่ว่าอะไรบ้างหรือที่ผัวมั่วสุมแต่ของเมา แต่ว่าเมียนาเกื้อนี่เด็ดขาดจริงๆไม่เคยพูดอะไรเลยเข้าครัวทำกับแกล้มให้กินซิกใจเป็นแม่น้ำเลยครับเราได้ขาดคอเล่าไปอีกคนนึงก็คือในวันผู้มีนิสัยดื้อดึงเอาการไม่ค่อยจะรักษาตัวจึงเกิดเป็นโรคปอดเข้าแต่ว่าผมชอบเรียกโรคนี้ว่าโรคฝีในท้องตามแบบบ้านนอกพวกเราเรียกในวันว่าไอ้วันโรคโว้ย ตอนแรกๆที่รู้ว่าเป็นโรคปอดในวันก็ยังไม่หยุดดืม่มคงมาร่วมกับเราที่บ้านอยู่เสมอซึ่งพวกเราแต่และคนล้วนอวดดีทั้งนั้นพูดว่ากลัวอะไรวกะกับโรคนี้ติดก็ให้มันติดกันไปทีละคนสองคนเถอะนะผีสางกูยังไม่กลัวจะมากลัวโรคนี้แอวันมึงมากินเถอะพวกกูไม่กลัวติดโรคมึงว่ากันเข้าไปนั่น แต่ผมน่ะจะกลัวติดไม่ติดพูดไม่ถูกเพราะไม่เคยรู้ริดโรคนี้ว่ามันแค่ไหนแต่ลงท้ายในวันก็ต้องหยุดดื่มเพราะว่าเมียกักตัวแกเกิดจับไข้เสมอตอนบ่ายแล้วก็ตอนดึกด้วยริดของโรคเนี่ยหนักเข้าในสมัยนั้นยาไม่มีจะรักษาถ้าใครเป็นก็ถือว่าคอยความตายไปเถอะครับเมียในวันหันเข้าพึ่งยาหม้อไทยของพระวัตพานเยียวยาไปตามเรื่อง โรคของในวันจะหนักจะเบาแค่ไหนพวกเราไม่รู้กันไม่มีใครกล้าเข้าไปบ้านแกกลัวปากเมียแกทุกคนเพราะว่าแถวนั้นเรื่องลือกันตลอดย่านว่าปากร้ายผลสุดท้ายเรามารู้กันเมื่อในวันสิ้นใจตายแล้วเมียเขาใช้ให้เด็กเที่ยวไปบอกพวกเราทั้งหมดเราจึงประชุมกันเท่าที่จะพร้อมกันได้ขาดในกลึงนักหนังสือพิมพ์กับเพื่อนอีกสองคน พวกเราที่ไปก่อนต่างก็จุดทูบบูชาศพแล้วก็นั่งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพอค่ำมากๆเข้าก็แอบรินเหล้าที่ต่างคนต่างแอบเอาติดตัวกันไปกินให้หายเศร้าใจในราวอีกสักชั่วโมงครึง่งก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินบนสะพานยาวเข้ามาสู่เรือนตะกนเรียกในวันเข้ามาดังลั่นทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าในวันนีตายแล้วแล้วก็กาลังสวดศพกันอยู่ผู้นั้นก็คือในกลึงนักหนังสือพิม ในกลึงตามมาเพื่อรู้ข่าวการตายของในวันโดยทางบ้านเพื่อนบอกแต่ว่าก็ทําเป็นเดินตะโกนเรียกเข้ามานั่นก็เป็นเรื่องขนองทั้งออกจากสบายๆมาแล้วเดินเซนิดหน่อยพวกเจ้าของบ้านไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเป็นแต่ต่างมองหน้าพวกกันในกลึงตรงเข้าจุดทูบบูชาศพแล้วก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็รินเหล้าที่ติดมาใส่แก้ววางหน้าเครื่องตั้งแล้วก็ลุกพรวดพลาดเดินไปเคาะโลงศพร้องเรียกให้ศพกินเหล้า เมียในวันไม่พอใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ปล่อยเปรี่ยงเสียงขมขึ้นหาว่าผัวแกได้สงบลงแล้วแล้วก็ไปสู่ที่สุขทำไมพวกมารร้ายทั้งหลายจึงมาคอยรังควานดังนี้มาคอยก่อเวรก่อกรรมให้ผัวฉันทำแบบนี้มันเป็นการทำเลวซามที่สุดคำที่เมียในวันว่าพวกเราเป็นพวกมารร้ายนั้นทุกคนเกิดตัวร้อนแล้วก็ถือตัวขึ้นมาโกรธและไม่พอใจอย่างยิ่ง คนที่ดุเดือดมากที่สุดก็คือในกลึงจึงเกิดปากเสียงกันขึ้นอย่างอื่นคะนึงขอให้ทุกคนในที่นี้จงทราบว่าในกลึงลุกขึ้นยืนตะโกนผมกับผู้ตายรักกันมานานและก็ทำงานร่วมกันก่อนที่จะมาได้เมียคนนี้สอีกเหตุใดผู้มาทีหลังจึงมากล่าวคากับเราแบบนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตรองดูเถิดในกลึงพูดเสียงดังเพื่อแก้การถูกเหยียบย่าต่อหน้าทารัก น, นั m อ๋อใครจะชอบกันมาครั้งไหนมันไม่แปลกหรอกนะแต่ที่นี่มันบ้านของฉันใครมาทำอะไรเร็วๆในบ้านของฉันฉันไม่ไว้น้ามันทั้งนั้นแม่บุญถึงเมียของผู้ตายพูดอย่างไม่ลดละในกลึงโกรธจัดชี้หน้าแล้วก็ร้องถุยเมื่อวานซืนเนี้ยมากางกั้นเพื่อนกเอนก่าเพื่อนแก่มาขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นมันใครจะก่อนใครจะหลังไม่รู้วอกูเป็นเมียไม่ต้องการเพื่อนเร็วๆอย่างนี้ ในกลึงหึดฮัดเต็มที่นักเกลือกระเงจะเป็นเรื่องมากจึงโดดเข้ากั้นกลางและเอามือปิดปากในกลึงไว้แล้วหันไปพูดกับแม่บุญถึงว่าอย่ารุนแรงเลยครับเรากันเองเราก็อยู่ย่านเดียวกันด้วยแม่บุญถึงได้ยินนัเกลือพูดแบบนั้นแทนที่จะเบาโมโหลงกลับสะบัดหน้าและตะค อ, อกออกมาว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าเลยว่ามันก็ไอ้คอกเดียวกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> อ้าวงั้นจะพูดอะไรกันได้ล่ะครับ นกเกือพูดอย่างตกตะลึงผมผุดขึ้นยืนเมื่อผู้มีพระคุณของผมถูกว่าแทบจะกระโดดถีบซะแล้วหากยังสติว่าเราเป็นเด็กกว่าเขาทั้งนั้นต่อไปกูจะไม่เอาตีนมาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกในกลึงพูดอ๋อดีไม่สวยบ้านกูแม่นั่นตอบพรวดออกมาเลยในด่อนช่างมักระสันผู้มีอาวุโส ก, กว่าใครอดไม่ไหวร้องว่าไปเว้ยพวกเรากลับกันเถอะเอาปูนไม้ไว้บ้านเนี้ยไม่ต้องมาเหยียบอีก พวกเราได้ยินผู้อาวุโสพูดดังนั้นก็ลุกพรวดแล้วก็ก้าวออกจากบ้านนั้นแล้วก็เฮกันมาที่บ้านเราอีกต่างดาทอนังบุญถึงกันอย่างเข้าใจเราถือว่าเรารักกับผู้ตายดอกนะถึงได้ไปเน้อยมันจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคอกเดียวกันนะัเกือพูดอย่างไม่หายแค้นเขาถือว่าบ้านนั้นเป็นเจ้าของเขาก็ไว้อํานาจเต็มที่เมียนัเกือพูดเสริมเราก็ทําด้วยความรักกันในกลึงพูด เราเคยกินเคยนอนมาด้วยกันมาตายจากกันไปก็เรียกผู้ตายมาดื่มด้วยกันโดยตั้งใจมันร้ายแรงอะไรเชียวค่ะไม่ร้ายแรงอะไรหรอกเมียนาเกื้อคล้อยตามก็เท่ากับเราทําล้อกันเล่นเพราะว่ารักกันมากถ้าเขาไม่ชอบใจก็ควรกระซิบพูดกับเราก็ได้นี่คะ่ะไม่ควรกล่าวต่อหน้าคนอื่นทั่ ว, วไปแบบนั้นเห็นริดด้วยไอคนอาศัยบ้านเมียอยู่ในด่อนพูดเมียเขาเหนือกว่าวันยังค่ำ แต่เป็นผัวเป็นเมียการอำนาจก็ต้องอยู่ที่ผัวสิในหมั่นแยง้งเฮ้ยนั่นมันกฎหมายหรอกว่าการยึดนี่สินจะอ้างบ้านเมียไม่ได้ยึดผัวก็ยึดบ้านได้แต่ความจริงสิว้ยไอ้วันซุกหัวอาศัยบ้านเขาไอ้วันมันมีแต่ตัวจริงว่ะถ้ากูตายกูก็ขออนุญาตให้ใครเส้นเหล้ากูได้ทั้งนั้นตายแล้วไม่มีใครเส้นทำยังไงดีละ่ะจะกินได้ยังไงทุกคนหัวเราะออกแล้วก็ดื่มเหล้ากันอีก เองน่ะอนุญาตในเส้นเล่าได้แต่เมียเองนะซิว่าจะยอมหรือเปล่าเองตายแล้วจะพูดอะไรได้ในหมันพูดก็เลยเป็นที่ขบขันคึกครื้นกันเต็มที่ลืมความโกรธที่แล้วมาอีนางบุญถึงเนี่ยมันไม่เอากับคนถนนเดียวกันเลยวะ่ะนายดอนพูดต่อเอากับเราเขาจะได้อะไรละเว้ยเมาตลอดวันในหมันพูด แม่คนนี้เกิดมาเป็นเมียไอ้ด่อนเข้าเป็นยังไงเห็นจะเตะกันดับแน่เลยอ่ะในด่อนทวงจะไม่ทันเตะมันนะสิมันจะด่าฉันหัวโกรนไปหมดในคืนนี้สนุกกันเต็มที่ก็เลยยืดเอาบ้านของนาเกลือเป็นโรงแรมต่างก็ผัดผ้ากันลงอาบน้ำที่คลองกันอย่างสบายใจยุ่งไม่ค่อยจะมีก็เลยนอนไม่ต้องกลางมุง้งลมก็พัดเย็นสบายพอดึกเข้าก็เงียบเสียงกันไปมีเสียงกรนมาแทนที่ ชาวขึ้นต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทำงานผ่านบ้านของนางบุญถึงก็ถุยน้ำลายกันเป็นแถวเราสามคนผมนักเกือพี่ใหญ่มีอาชีพฮนุมันจองถนนก็ไปขนดดินกันตามเคยที่สี่แยกสนามเป้า เช้าวันที่สี่นางบุญถึงนําศพผัวไปเก็บไว้ที่วัดตาผานไม่มีการบอกกล่าวพวกเราแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปจะรักกันแทบตายก็ไม่ได้ไปส่งเสียกันถึงที่สุสานก็เลยรวมใจพร้อมกันกินเหล้าแล้วก็บ่นเสียใจไปตามๆกันครั้นจะขืนไปโดยถือว่าเราเนี่ยไปโดยความรักกับผู้ตายหากมีปากเสียงขึ้นก็จะมีเรื่องกันเฮ้ยวันหน้าเราไปเยี่ยมศพมันที่ป่าช้าก็ได้นิวาในกลึงพูด เออความคิดเข้ารูปเดิมก็คือรุกรานผีสางอีกเหมือนเดิมโดยยึดเอาการไปเยี่ยมศพของนายวันเป็นที่ตั้งยาเลยนายดอนพูดสงสารวิญญาณมันเถวะว่อย่ากวนมันเลยนายดอนพูดโดยรักสงบหรือโดยความครา้ำกรเเสงวัตพานก็ไม่ทราบเอาไว้พวกเราล้อเมียมันเล่นดีกว่าล้ อ, อยังไงวะก็ผ่านไปกลางคืนก็ไปร้องเรียกไอ้วันทุกคืนทุกคืนไงใครจะว่าอะไรแล้วล่ะเราคิดถึงเราก็เรียกละ ใครอวดดีทำออกมาขวางก็งามสิวะทีนี้นะในดอนวางแผนเออดีฮะในกลึงร้องปะเหมาะได้เตะเตะกันมั่งตามเหตุการณ์ทุกคนก็เห็นดีกันไปด้วยกันหมดไม่มีใครท้วงติงว่าที่ทำแบบนั้นจะเป็นการทำอย่างพานเราคิดอาการแก้แค้นแล้วก็สนุกใจอย่างเดียวเท่านั้นถ้าในวันไม่ใช่พวกเราก็ไม่ทำเรามีสิทธิ์จะเรียกชื่อได้เพราะเคยเที่ยวเคยกินด้วยกันมาคิดถึงก็เรียก ขึนออกมาขวางแล้วก็โดนละอย่างสาสมที่พวกเราแทนที่จะสาบส่งบ้านนั้นซะไม่ไปเหลี้ยวไปสกิดแต่กลับคิดพานเกเรเข้าให้ก็เพราะว่าสมัยนั้นถนนมกสันเนี่ยมันติดต่อกับสนามเป้าแล้วก็ยังไม่เจริญมืดตื้เราก็เท่ากับเจ้าถิ่นนึกจะทําอะไรก็ทําตามใจชาวบ้านแถวนั้นก็เกรงๆพวกเราอยู่แต่ว่าเราลืมไปว่าเรามีเรื่องกันอยู่ถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ไม่พ้นพวกเราได้ ในวันรุ่งขึ้นตำรวจก็คงจะเล่นงานพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างที่คนชอบก่อกรรมก็เพราะว่าสิ่งประกอบเป็นใจแดนมืดแดนเปลี่ยวค่ำลงไม่มีใครเดินได้นอกจากพวกเราเราก็คิดว่าเราคือเจ้าถิ่นถนนมืดมืดจะมาเอาอะไรกับใครพ้นบ้านเขาเข้าไปก็เป็นสวนเป็นไรแล้วก็ออกทุ่งยังคล้ายกับเมืองเถื่อนชอบใจจะทาอะไรก็ทาได้ดุดคนบ้านป่าเท่ากับว่าป่านี้เป็นป่าของเรา ความข้างแค้นของพวกเราได้วางแผนตามที่คิดกันไว้พอเมาเล่ากันดีแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านนางบุญถึงต่างตะโกนเรียกชื่อในวันให้มากินเหล้าด้วยกันคืนแล้วก็คืนเล่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครกล้าออกมาประทะพวกเราทำเช่นนั้นหยุดเจ็ดคืนก็มีเสียงลือกระชอนไปทั้งย่านเรื่องการกระทาของพวกเราที่น่าเกลียดโดยไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้น การที่ไปเรียกร้องชื่อคนตายใหม่ๆในยามค่าคืนนั้นเป็นที่สะดุ้งสะเทือนใจของชาวบ้านแถวนั้นเกิดวันเกรงเด็กเล็กและก็หนุ่มสาวไม่กล้าออกจากบ้านพอค่ามืดแล้วไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านในวันแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านของในวันเองก็ไม่กล้าจะออกมาจากตัวเรือน พวกเราเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นก็งดการกระทําไปสองวันพอเห็นจะสงบก็เอากันอีกมุ่งแต่จะทําให้นางบุญถึงแก้แค้นนางบุญถึงอย่างสาสมนั่นเองชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มเกลียดพวกเราไปตามๆกันตลอดย่านจ้างเถอะเราไม่ได้ทําบ้านอื่นในด่อนพูดใครจะเกลียดเราแต่นานๆเข้าก็หายไปเองแหละใครๆก็น่าจะรู้ว่าเราทํากับอินังเมียไอ้วันตัางหาทั้งเราก็เพียงเรียกชื่อเท่านั้นไม่ได้หยาบคายถึงกับด่าทอเขาเมื่อไหร่ แม้ตำรวจก็ไม่น่าจะว่าอะไรเราเราไม่ได้ทำร้ายใครนี่ไปปลาบ้านปาช่องก็เปล่าผ่านไปก็เรียกชื่อก็แค่นั้นความเห็นแล้วก็เหตุผลของนายดอนยืดยาวแต่ว่าไม่มีใครทักท้วงไม่มีใครขัดมีความแค้นที่เคยเสียหน้าต่อหน้าคนมากๆก็เห็นดีไปตามๆกันส่วนผมนะ่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ยากเขาผู้ใหญ่กว่ารุ่นพี่รุ่นนะเขาทายังไงก็ไปกับเขาเดินตามๆเขาไปแต่จะให้ตะกนเรียกไอ้วนโวยไม่ได้ครับ เขาแก่กว่าและก็ไม่เคยไปตีเสมอเขาเขามีอายุมีความรู้ผมเด็กใหม่ในวงนี้มาจากท้องนาพระเนจรมาหาที่อยู่ที่กินก็ดีอยู่แล้วจึงไม่ห้าวหานตามเขาความเห็นของผมการเดินผ่านแล้วร้องยั่วยาวนี่มันเป็นเพียงการตบมือข้างเดียวไม่ดังและไม่ออกรสชาติอะไรเออถ้ามีใครออกมาประทะบ้างพอได้ทุบตีกันบ้างก็พอสนุกสนุกแต่นี่จะมีอย่างว่าก็หาไม่ก็เลยเริ่มเบื่อ อีกหลายคนอาจจะเห็นผมเงียบละมังชักหยุดชักซากันไปเอากันว่านานๆครั้งกลัวจะเงียบเหงาก็เอากันเสีทีพอสนุกพอขนองแล้วก็แอบไปหัวเราะกันที่อื่นตัวผมกับพี่ใหญ่นั้นเพึ่งมาในฐานะซุกหัวอาศัยนะเกื้ออยู่พอทํางานเลี้ยงท้องก็พลอยฟ้าพลอ ย, ลอยฝนไปกับเขาด้วยถ้ายังมีแสงอาทิตย์อยู่จะต้องเดินก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครแถวนั้นเขามองเมินอย่างกับเราเนี่ยเป็นตัวผีร้ายมันปลาข้องเดียวกันไม่รู้จะว่าอย่างไร วันหนึ่งเรากลับจากเล่นน้ําที่พาร์คในเลิศกันแล้วก็เมาสบายมาทีเดียวละ่ะการเล่นน้ําของผู้ใหญ่นี่มันก็พิลึกนะจะว่าเล่นอย่างนักกีฬาก็ไม่ใช่เล่นกันอย่างไม่มีบทไม่มีบาทท่าทางอะไรนึกกระโดดก็โดดลงไปไหว้กลับเข้าตะลิงก็ดื่มเหล้าเข้าไปบางทีเข้าแถวกันแล้วก็เกาะมือนับ1 2- ึสาแล้ววิ่งลงน้ําหัวหงอกหัวดําทําอย่างเดียวกันการเล่นอย่างเราก็ไม่สนุกอะไรแม้แต่เด็กมันยังไม่เล่น เพราะว่าการเล่นแบบนี้มันไม่มีเชิงกีฬาตรงไหนเลยเมื่อเล่นกันจนหงำเหือกแล้วแล้วก็เล่าหมดก็เลยพากันยกขบวนกลับถิ่นเดิมพอถึงตลาดประตูน้ำก็งำกันอีกพักใหญ่จนตกมืดค่ำนี่พวกเราหยุดกิีดกันมานานแล้วนะมันจะเงียบจะเหงาไปนะนายด่อนพูดขึ้นถูกแล้วนายกลึงตะโกนวันนี้ต้องแสดงเว้ยเมื่อต่างคนต่างเห็นดีกันก็ออกจากร้านเล่า้วยอาการเซซไปตามระเบียบ เราก็เดินกันไปเงียบๆคล้ายกองจู่โจมเดินเลยหมู่บ้านมากสันไปสู่แดนที่เงียบสงัดนัดกันว่าพอตรงประตูบ้านนางบุญถึงจึงค่อยลงมือทุกคนต่างมองดูประตูรั้วบ้านนั้นไว้โดยระวังแทบนับก้าวกันเลยทีเดียวพอมองไปที่สะพานเล็กข้ามคูน้ําเข้าประตูรั้วบ้านก็เห็นคนคนหนึ่งนั่งยองๆสูบบุหรี่อยู่มีท่าทางเหมือนจะรอคอยพวกที่เคยมาจู่โจมคล้ายกับว่าแม่บุญถึงเนี่ยไปหาคนดีมาปะทะกับเรา คงเป็นนักเลงที่มาจากที่อื่นเป็นแน่เฮ้ยพวกเรามองให้ดีว้ยวันนี้สนุกแล้วนายดอนกระซิบเตือนพวกเราเราตั้งใจจะมาทำแล้วก็ต้องทำให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปสิวะอีแมวร้ายมึงคิดว่ากูอะไม่กล้าเหรอพวกเรามองคนคนนั้นอยู่แล้วและทุกคนก็ไหวตัวอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องออกกำลังกันเป็นเด็ดขาดละแต่ยังกริง่งเกรงอยู่ว่ามันไม่มีคนเดียวแน่ๆมันต้องมีคนอื่นที่ซ่อนอยู่ในรั้วบ้านอีกเป็นแน่ ไม่มีนักเลงใดที่จะมาประท้ากับคนมากโดยตัวคนเดียวความจริงพวกเราทั้งหมดมีแต่มือเปล่ากันทั้งนั้นไม่มีอาวุธติดมาเลยแต่เมื่อมันถึงเวลาแล้วก็จำเป็นต้องยอมสู้ถ้ามันมีอาวุธเราก็เจ็บตัวกว่าฝ่ายมันแต่ลูกผู้ชายนักสู้เจ็บก็ต้องเจ็บทุกคนก็เตรียมตัวกันตามแต่จะคิดว่าควรจะเตรียมอย่างไรผมเอาผ้าเขามาที่ยังเปียกจากการเล่นน้าขึ้นพันแขนซ้ายจนแน่นถ้ามันมีมีดหรือไม้ก็ตาม เอาผ้าเข่าม้าเป็นสนับรับไว้พอเบาบางลงได้มือขวาของเราเป็นมือสังหารแม้จะเป็นเพียงหมัดก็เอาดีถูกเหมาะมันก็ฟุบพอเดินตรงบ้านในด่ดอนผู้คุ้นเคยการชกต่อยตีทำการอย่างไม่มีละลดไอ้วันโว้ยไอ้วันเพื่อนรักมากินเหล้ากันโว้ยเงียบเสียงในายดอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีแต่ความเงียบฉี่และยังไม่ทันที่จะมีใครรองเรียกชื่ออีกก็มีเสียงจากคนคนนั้นร้องบอกมาไม่ดังนักแล้วก็ได้ยินถนัดพวกเราโว้ยพอกันทีเถอะโว้ยเสียงนี้ทําให้เราทุกคนหยุดชะงักเพราะมันเป็นเสียงของคนที่เราจํากันได้มันคุ้นหูอยู่เสมอทุกคนเหมือนเอะใจอะไรขึ้นต่างขยับท่าทางใหม่แต่ไม่ใช่ท่าทางที่จะตะลุมบอนอย่างตอนแรกมันเป็นเสียงพูดที่จะต้องทําให้พวกเราทั้งหมดเปลี่ยนแนวตั้งใจทั้งหมดสิน้น ตรงที่คนคนนั้นนั่งอยู่ความจริงมันก็มืดแต่ทำไมจึงเกิดแสงสลัวทำให้เห็นหน้าผู้นั้นได้ชัดเจนทุกคนใจหายวูบตัวชาและจังงังไอ้วันในด่อนร้องอย่างตกใจจนเสียงหลงผมแทบชักจะดิ้นลงไปเลยสั่นไปทั้งตัวแข้งขาอ่อนเปลี่ยเออข้าเองเห็นแก่ข้าเถอะเพื่อนเ อ, อ้ยเรามันคนกันเองเขาตอบเสียงอ่อยๆพอหมดเสียงก็เกิดความมืดของมันตามธรรมชาตินวันไม่มีแล้ว ผมพยายามตะกายลมโผเข้ากอดคนที่ใกล้ๆและต่างคนต่างก็กอดกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นไม่รู้ใครเป็นใครขาสั่นคางสั่นจนได้ยินเสียงฟันกระทบกันมันช่างประหลาดแท้ทั้งทั้งขาที่สั่นก้าวไม่ออกหัวใจก็ริีบเหมือนใจจะขาดแต่ยังไงมันก็ยังเคลื่อนมาได้โดยไม่รู้ตัวจนใกล้บ้านเราผมโผเข้าประตูรัว้วถล่มลม้มควม่ำหน้าอกกระทบดินดังลั่นแต่ใครคนหนึ่งฉุดลากผมขึ้นบ้านไปได้ นาเกื้อร้องเสียงลั่นให้เปิดประตูและผู้ที่เปิดประตูก็คือเมียนาเกื้อนั่นเองม่ใ่แกจะถามเรื่องพวกเราอย่างไดก็ไม่มีใครพูดออกมาได้ฟันกระทบกันกราวไปหมดผมนึกอะไรไว้ไม่ผิดวันๆอยู่นานแล้วว่าตั้งแต่แรกมาถ้าเป็นบ้านนอกปีศาจจะขนองนักการไปทําแบบนี้และชาวบ้านทางบ้านนอกถือนักจะต้องรุมบอมเราแย่ทีเดียว